เบื่อก็ต้องทนให้ครบตามที่ตั้งใจไว้2ต้องมีสัมปชานะคือความรู้ตัวคือให้มีความรู้อยู่เสมอไม่ให้เผลอตัวยิ่งสมาธิละเอียดเท่าไร่ก็ต้องให้มีความรู้แจ่มใสขึ้นเท่านั้นถ้าหลับไปเสียหรือว่าดับไปเสีย เช่นว่าปล่อยใจให้ตกวู้บไปก็จะเป็นสัปงกหรือว่าเป็นหลับไปหรือว่าเธอเผลอตัวดังนี้ก็ชื่อว่าขาดสัมปชานะไม่ถูกต้องต้องให้มีสัมปชานะคือความรู้อยู่ 3. มสติคือความระลึกกําหนดต้องมีสติระลึกกําหนดอยู่ที่อารมณ์ของสมาธินั้นให้แน่วแน่